พร้พอมเ้วก็พอกันตั้งใจฟังแล้วกน็นั่งตามสบายของกลของราอางแล้วก็กำหนดดูตัวเองอย่าส่งจิตมาหาลูก ป, ปู่ให้ดูตัวเอง คำว่าตนในที่นี้หมายถึงดวงจิต ด, ดวงใจของใครของเราขณะนี้เวลานี้นบางคนก็กคงจะไม่ยังยังไม่เห็นตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้พวกเรามาปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเพื่อจะตามหาตนของตนให้มันรู้ให้มันเห็นพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตคําว่าตนในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจ ดวงจิต ด, ดวงใจนี่มันเป็นนามธรรมมันมันมีรูปร่างไม่ ม, ไ ม, ไมีไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตนไม่ตัวเก็บใข้ได้ป่วยไม่เป็นถ้ามีเฉพาะตั้งแต่ดวงจิต ด, ดวงใจอันนี้ที่มันเก็บใข้ได้ป่วยมาเกี่ยวกับก้อนสกปรกายตนตัวของพวกเราเนี่ยอันนี้มันอ่ เป็นสภาวะธาตุนะาะแยกออกมาจากใจจากใจของพวกเรามันมีธาตุทั้งสี่รวมกันอยู่ในยู่ในกคอน์ะกลไกยของพวกเราเนี่อืมมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่นี่ของใครของเราดินน้าลมไฟอันนี้สรุปลแล้วกยิงเกีงแล้วถ้าเข้าไปถึงความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรา คือถ้าธาตุหเข้าไปถึงคุบจริงจริงล่ะมันก็มันก็ไม่เป็นของกายของมีประจําโลกอยู่นี่คือไรคือดิน น, น้ําไฟลมไม่รู้นี่แต่ที่แท้ว่ามันเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเึืรวมขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอันนี้อันนี้ธาตุดินมีรูปร่างขึ้นมาธาตุดินเป็นสมบัติธาตุาดินเป็นสมบัติของบิดา ธาตุน้ำเป็นสมบัติของมารดาธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นธาตุลมอากาศัช้พัดไปพัดมาให้ก้อนธาตุทั้งสี่ประชุมกันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะขณะเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตกเพราะฉะนั้นจะว่ามันเป็นสมบัติของบิดามารดาที่เพราะนั้นท่านจะว่าผู้ใช้เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนของตนผู้ใช้ไม่เป็น เป็นบาปเป็นกรรมมันไปเหยียบย่าทำลายไม่ยกพ่อยกแม่ไปที่สูงไม่กราบไม่ไหว้ไม่เคารพกราบไหว้บูชาหรือมีฉนะ บ, บางคนก็ไปทาลายาไปผูกคอตายไปยิงตัวตายมั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้ยิงตนมันตนมันไม่ได้ผูกคอตนเองมันไปทำลายสมบัติของบิดามารดาเพราะฉะนั้นมันจะกรรมหนักถ้าใครไปทาลงไปแล้วนี่ ล่วงเกินลงไปแล้วถ้าเป็นขั้งแรกยังเหลืออีกปุ๋ย4 9 9ชาติเกิดมาแต่ละชาติแต่ละขั้งแต่เราเปนนบมันเป็นไปเองของมันมันจะโดนบันดาลให้ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นะพวกเราสองวนระวังถึงแม้บรรทุกขนาดไหนก็อยับไปทำลายทำลายมังแปลกคิดว่ามันจะสบายทำลายการนั่นละมันไม่สบาย มันยิ่งประกันใหญ่คุณเพร า, าะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรท่านจะขึ้นไหว้คูนี่ก่อนนะโมหรือในเวลานี้ขณะ น, นี้ที่ลบปู่จ ะ, ะแสดงทธรรมลูกขึ้นนะโมนี่ก่อนที่ว่านะโมตนะโมตัมตมตสสะพระกวาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัตย์นะคื อ, อคือมารดาโมนี่คือบิดา ตอไปกับพระกาวกาโตพระกว่าโตอันบ่าพระผูมีพระพเจ้อาอรหะโตท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาท่านตัดสู้ชอบแล้วสัมพุทธทัสน์ทัศนะท่านเห็นชอบแล้วนท่านเห็นอะไรอท่านเห็นธรรมท่านเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่ปัจจุบนันเนี่ยมาอยู่ที่ไหนอริยสัจธรรมทั้งสี่พระผู้เจ้าพระอริเจ้า สเสด็จเข้าสู่พระโพลินี้ฟานไปหมดแล้วอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็อยู่ตกตกลงอยู่กับพวกเราอริยะทำทั้งสีะ่ะอริยะกลับไปว่าพอเรสร็จกาบไปว่าของจริงคืออะไรคือทุกหนึ่งสมุทัยเหตุทุกเกิดที่หนึ่งนิโรธคือความดับทุกข์ที่หนึ่งทุกสมุทัยนิโรธทำสามข้อนี่แหละมันเป็นห้่นทาง เข้าไปดับทุกจะว่าทุกสมุทัยนีโรดมรักหัวทางเข้าไปดับทุกท่านให้ซื่อว่ามรักมรักอะไรคือหัวทางเข้าไปดับทุกดับที่ไหนมันดับตรงที่มันเกิดมันเกิดมันเกิดทุกมันเกิดที่ไหนมันคือดมันเกิดขึ้นจากเหตุจากตัวสมุทัยจะถามมาตัวสมุทัยเหตุทุกเกิดอยู่ที่ไหนสิ่งก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเราที่มันลุ่มลุ่มหลงนี่แหละ แล้ววัตถุที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดก็คือก้อนสกลละกายนี่นั่นนะเนี่ยก้อนสกุลละกายของพวกเราเนี่ยมันเป็นก้อนธรรมุไทร์เป็นก้อนเป็นก้อนเหตุก้อนปัจจัยให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นที่นี่ก็อผู้ที่รับสุขรับทุกข์ก็คือจิตใจเป็นผู้รับพอจิตใจลงเข้าประยึบวัตถุที่ทุกข์จะเกิดขึ้นะตัวสมุทัยคือก้อนสกลละกาย่ยทุกสมุทัย นี่รถถ้าจิตใจใครก็ตามเขาไม่ผ่านทุกก็ผ่านเหตุให้ทุกเกิดเข้าไปสงบหยุดนิ่งจิตใจว่างจากอารมณ์ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างของจิตของใจเหลือแต่ดวงธรรมเหลือแต่ดวงรูดนี่ท่านตรงนี้แหละถ้ามันลึกเข้าไปจริงๆเิงจนไปถึงภพพวงของจิตของใจจริงๆที่ท่านให้เื่อให้นามว่าอัปปนาสมาธินี่ ถ้าใครก็ตามถ้าปฏิบัติตายผึ่จิตใจ ส, สงบเข้าไปถึงจุดนี้ได้แนหะละในในความรู้สึกของจิตของใจขอ ง, ของใครก็ตามความคิดความเหมือนของจิตของใ จ, จว่าร่างกายกับจิตใจนี่มันจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกจะรู้เองเช่นเองปัจจังไม่จะรู้เองถ้าจิตสงบเข้าไปได้ <laughs> จะถามว่าธาตุดินที่ย้อนย้อนกลับมไมคกว่าจะสามารถธาตุดินอยู่กับพวกเราธาตุดินอยู่ตรงไหนคืออะไรตรงไหนเนี่ยบางคนจะไม่เข้าใจธาตุดินกับมีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเกี้ยในกระดูกตาปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่านี่เป็นธาตุดินสมบัติของบิดาสมบัติของวันดาน้าดีน้าสะเลดน้าหนองน้าเลือดน้ามเงือ น้ำมันค้นน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดนี่เป็นสมบัติของมันดามี่นี่กับธาตุไฟไฟยาักายให้อบอุ่นไฟยาักายให้สุดชมไฟยาักายให้กระวนกรวายไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่คือธาตุไฟธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัว ลมหายใจเข้าออกนั่นถ้ารูเร่างวิญญาณก้อนสกุลรากายของพวกเราไม่มีเท่านี้มีของสี่อย่างเท่านี้ที่นี่ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีเต่น้ากับดินเป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาธาตุไฟกับเป็นนามธรรมไฟกับไม่มีตนมีตัวความร้อนไม่มีตัวมีตัวอันนี้รัศมีมันต่างหากแสงมันต่างหาก ไฟก็เป็นนามธรมมมมมนนมรมไม่มีตนมีตัวลมก็เป็นนามธรรมไม่มีตนมีตัวจิตใจของพวกเราก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตนมีตัวแต่ว่ามันมายึดเอาความสกุลกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนมัน ก, ก็เริ่มมัน ก, ก็ทุกข์จนเกิดขึ้นเวทนาจะเกิดขึ้น มัไม่เวทนาคือความเสบยนี่ความเสบยของจิตของใจทั้งสุขทั้งทุกและทั้งเสื่อเยจังหวะท่านจังว่าเวทนากรมีสุขาเวทนาคือความสุขเกิดขึ้นทั้งจิตใจทุกขาเวทนาคือความทุกข์ความเก็บปวดรวดเล่านี่ความทนได้ยากอุเบกขาเวทนาจิตใจเสื่อเสยอยู่ ไ ม, ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เป็นกลางๆอยู่นี่ก็เป็นเป็นเวตนาความเสบมอเขาขี่เข า, จาใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนี่นี่นอ น, อนี่มัดข้อแรกมัดข้อที่สองเหมนสัมมาสังกรปรดมดีออกจากกายดมดีออกจากกายหาทางทิ้งกายอดมดีออกจากกายดมดีออกจากกรรมก้อนสกุลละกายของพวกเราหมดทั้งก้อนนี้นี่คือก้อนกรรมนอกนั่นก็ วัตถุเข้าของเงินทองส ม, สมบัติทั้งหลายเหล่าจะในโลกมิตรกรรมทั้งนั้นมิตรกรมกรมการตัวนี้มันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษโทษมันก็มาหันคุณมันก็ อ, อนันต์ถ้ามันมีกรรมพวกเราก็ไม่ได้เกิดถ้ า, ถ, าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์จริงเพราะฉะนั้นท่านเ อ, อ, อ, อ, อ, อสวดธรรมจากจุมเอชไช่ชาที่ปีทุกขานี่ ชาติปี่ทุกขาชราปีทุกขาพญาที่ปี่ทุขามนุษปี่ทุขังโสกปาิเทวะทุกะโทมนัสสุปยาสาปี่ทุกขาอภิเยหีสปายโยโคทุโขปิเยหีวิปายโยโคทุโขยมปิสังดาราปฏิตัปี่ทุกขังสังคิตเตนันปัญจุปทานนันขาทุกขาอีดังข้อปนาภิกขเวทุกขะสมุไโยอริยสัจจงมันเป็นตัวเสมอไทยเป็นเหตุทุกข์เกิดุ่นั่นแหละ สรุปเรียกกอนสกลกายของพว้เราเนี่ยอาวัยาวะทุกส่วนเนี่ยทั้งอาการสามสิบสองเนี่ยแต่ละข้อละข้อละข้อเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นตัวปัจจัยให้ทุกเกิดทั้งนั้นถ้ามันไม่ปกติไม่ปกติมันมีคนมีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งน่ะมันเกิดขึ้นเพราะมันมีกายท่นี้เมื่อเรามามาม า, มาปฏิบัติ มาถอนจิตเอามาถอนกายออกจากจิตถอนจิตโดยจะกายมาปฏิบัติทําจิตใจของตนให้เป็นเอกเทศตจะให้มันแยกออกแยกกันให้มันให้ทํำให้ทําความรู้สึกครับทําความเข้าใจให้มันชัดเจนจริงๆนะรููว่ากายกับเพียรเป็นคนละอย่างนะตรงนี้หละจากนี้ไปล่ะมันจะมันจะปฏิบัติให้ถูกต้องทีมันจะไม่มันจะไม่ไม่ไม่จะไม่ทําความชั่วเสียหายเสียตนของตน ที่นี่มันจะมันจะวกว่าเกี่ยวกับศีลอีกต่อไปที่นี่นั่นแหละที่นี่ถ้าไม่รักษาศีลที่นี่ไม่รักษากายให้อ่าให้ปกติวาจาปกติจิตใจปกติแล้วมัจะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมมันี่เราไม่ได้ตามสนองนี่ทําสนองบันดานบันดานให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายบันดานนั่นแหะถ้าเกิดถ้าเกิด เกิดกิดขึ้นมาบางครั้งบางเข้าวก็ที่นี่นถ้าไปไปทำถ้าไม่รักษาศีลไปทำความชั่วเสียหายเสียจนก็ตนที่นี่ก็บางทีก็ไปเข้า เ, าเข้าใจผิดว่าเข้าใจผิดว่าบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มีอย่างนี้เข้าใจผิดทาความชั่วเสียหายจนไม่รักษาปฏิบัติ เมื่อเวลาแตกตายทําลายขันลงไปเ่ะกัมชั่วที่ทําไว้แล้วนะี่ยมันจะพากดันจิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ําภูมิที่ต่าไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่าไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดเ ป, ปด็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสันดิสารไปเกิดไปพูดผีปีศาจยังได้อย่างหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่พวกนี่พวกเราผ่านมาหมดหวนแล้วเพราะว่า ชาติพบที่โฟเราเกิดมาถ้ายาทหลังเป็นอะไรดีเป็นล้านๆเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันผ่านมาหมดแล้วแต่มันจาไม่ได้เพราะตัวสัญญาความจำหนึ่มันจาไม่ได้มาเกิดแล้วมันกระดับของมันเพราะฉะนั้นยังจะเกิดไปอีกข้างหน้าอีกต่อไปสักหน้าเพราะฉะนั้นพระ พ, พุทธเจ้าจะมาสอนให้หาหิถทางให้มายืนในการเกิด ถ้าไม่เกิดรูปนร่างกายไม่มีสุขทั้งสูมก็ไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาความจําได้ไม้ลูกก็ไม่มีกายมีสังขารความปรุงความแจงความคิดความนึกกิจใจเสีใจก็ไม่มีกายไม่มีความความรับทราบตาบีญญาณความรับทราบตาหูสมูงกลิ่นกายใจมันก็ไม่มีนนัมันก็จะดับจะดับหมดไม่มีอะไรมันก็จะเหลือแต่ดวงธรรม ดวงธรรมกับคือดวงจิตนี่แหละอพวกเราอย่าไปเข้าใจาาาวำำ่าดวงธรงรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู <c oughs> ่ในท้องฟ้าอากาศไม่ใช่เลยคือดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่วันยังไม่เป็นจิตใจยังจิตใจยังไม่เป็นพระเพราะจิตใจยังไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกถึงจิตทถึงใจไม่เห็นสุขถึงจิตถึงใจ เห็นโทษด้วยการเกิดแกก่ตายทั้งจิตทั้งใจจริงถ้าเห็นจริงริงลยะจิตใจมันมันเข้าใจทั้งจิตที่งใจจริงหรือตัวสกาจิติการวิจิตริชาก็ไม่สงสัยว่าอะไรคือตนอะไรคือกาตัวสกาจิติวิจิริชาความสงสัยเรื่งเด็กก็ไม่สงสัยเลื่องกสิรพตตพรมาสอะไรคือศีล นี่ก็ไม่สงสัยศีนอยู่ตรงไหนก็ไม่ไม่สงสัยศีนก็คือศีนก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเราคือดวงลู่นี่ถ้าทำมาเป็นศีนเลยทำมาเป็นศีนเมือนกับเป็นธรรมศีนก็บธรรมกันเดียวกันนี่แหละศีนก็คือคือดวงจิตดวงใจสติก็คือดวงจิตดวงใจสมาธิก็คือดวงจิตดวงใจปัญญาก็คือดวงจิตดวงใจนี่มันอยู่จุดเดียวกันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละส่วนส่วนธาตุทั้งสีินน้ำไฟลมนี่นะ ดินเขาก็ดินเขาก็ไม่รู้จักสูงจักทุกข์เลยน้ําก็ไม่รู้จักสูงจักทุกไฟก็ไม่รู้จักสูงจักทุกข์ลมก็ไม่รู้จักสูงจักทุกผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์จิตใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฉันจะให้มามาปฏิบัติมาสําราะจิตใจนี่แหละถอนดอกจากก้อนสกุลละไกยทําได้จะทิ่งได้นี่มรรคข้อกกที่สองสัมมาสังกรปรานี้ออกจากไกา่ห้ามทางทิ้งไก่นั่น นี่นี่มรรคข้อที่สองมรรคข้อที่สามกับข้อที่ 4. สี่สัมมาอ่าอ่าสัมมากรรมโตกับสัมมาอาชีวนสัมมากรรมโตการการงานการทํามาหาเลี่ยงซีบไม่ให้ไม่ไปกระทบตนและบุคลบคลอื่นสัตว์อื่นไม่ทําให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์การทํามาหาเลี่ยงซีบการทําการทํางานไม่กระทบแล้วก็สัมมาอาชีว เลี้ยงซีวิตไม่ชอบการการเลี้ยงซีวิตก็ไม่ให้มันไปกระทบต น, น, บนแล้วก็และบุคคลคนอื่นสัตว์อืน่นไม่ทําให้บุคคลอื่นสัตว์อืน่นเขาเดือดร้อนไม่ทําให้บุคคลอื่นสัตว์อืน่นเขาเป็นทุกข์นี่เมตตาสงสารสิ่งกันและกันนี่นอนแล้วก็ กอาหารการบริโภคการอยู่การกินนี่ก็ทำให้ถูกต้องของของดิบดิบแดงแดงนี่เอาชกเล็กชกเล็กจงหนุกจงนางที่เขากินที่ยมสืสอบกันพวกเขาเอาเอาเลือดไปทาลิ้มพี่ปากให้เป็นลิปสติกนี่พวกมันก็ผิดวัทางเรมของพูดพุทเจ้าเหมือนกันมันมันมันมันมันมันไม่เป็นสัมมาอาชีวะเรี่ยงชีวิตไม่ชอบนี่ประเภทอาหารเนื้อเมื่อกเหมือนกันเนื้อมนุษย์ เนื้อมนุษย์เนื้อสร้างเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อมีเนื้อเสือโคงสือเหลืองเสือดาวเนื้องูพวกนี้ถ้าใครไปล่วงเกินไปกิเมันไม่ถูกทางทางมันไม่เป็นมันไม่เป็นสมมาอาซีโวมันมันไปมันเป็นสมมาสมมาอาซีวไม่ไม่ไม่ถูกตามมติทางของพระพุทธเจ้านี่การฆ่าการขายก็เหมือนกันฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์ที่มีชีวิตให้เขาไปฆ่า ว่าเป็นอาหารค่าขายเครื่องดองของเมาค่าขายสิ่งที่ผิดอกฎหมายบ้านเมืองของเขาบัตรภาษีอากรของเขามืงพวกมันก็พิสผิดบุดผิดหัวทางไม่ผิดผิดจัดผิดผิดหัวทางแปลว่ายังชีวบี้ยเป็นซอสนิสสัมมากรรมมันโตกับสัมม า, าชีโบสัมมาวายามโอทีเพียรพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นต้นว่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมหนึ่งจราเมลัยเครื่องรองสองหองเมาพวกนี้เร่องชินห้านพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พยายามสร้างบุญกุศลที้เกิดขึ้นาภายในจิตใจของตนเองแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจจากใจเสียอมไปจากจากิจกจใจรักษาอนุรักษ์ไว้จังว่ า, า, า, าสัมมาวยโมสัมมาสติที่นี่ ให้ร ล, ลึกสิ่งที่มาเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไประลึกสิ่งที่ที่ทีทททม่มันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมไปร ะ, ะ, ะลึกพระไประลึกพยาบาทอาฆาตจองร่างจองพันบุคคลอื่นจัดดินไประลึกโลบเอาสิ่งของของบคุคคลนอื่นมาเป็นของของตนไประลึกไประลึกนึกถึง อ่ารับที่อื่นศาสนาอื่นจากคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ผิดเหมือน ก, กันอ่าสมัมมาสตินี่นสมัมมาสติสมัมมาสมาธิบ้านิตั้งใจว่าให้มันชอบบ่าขึ้นชื่อว่าความเศร้เสียหายเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาอภัยได้จิตใจและร่างกายได้จิตใ จ, ลล จ, จของพวกเราท่านก็ให้ใช่ใส่ทำสองข้อ ว, า ว, าว่าอ่าทำทำพุ่งครองโลกฮีรีความละอายแก่ใจ ละอายตัวบาปตัวกรรมโอตปะความเกังวลกลัวตัวบาปตัวกรรมสั้งวันระบงังรักษาน้อยหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวก็ไ่ให้มันเกิดขึ้นขึ้นชัวว่าโทษขึ้นชื่อว่าบาปขึ้นชื่อว่อากรรมเพราะฉะนั้นจะว่ามักทั้งแปดนี่ละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมณโตสัมมาวายโมสมัมมาสติ ส, สัมมาสมาธินีิทัศนียนลงมาเหลืออยู่สามก็คือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งนี่ะที่นี่ศีลอยู่ที่ไหนทิน สินก็คือความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยซื่อว่าสินที่นเนี่ยก่ะความรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิความรอบลูกในกองสังขารเรียกว่าปัญญาจะถามมากองสังขารอยู่ที่ไหนก อ, กองสังขารกองกองสังขารกองรูกร่างกายของพวกเรานั่งอยู่นี่ละกองรูกนั่งอยู่นี่โลกกองลูกกองที่หนึ่งกองสังขาร กองรูปมันมีธาตุท uh, ั้งสี่ด mm. ินน้ำไฟลมที่เนี่อกองสังขารนี่นี่นี่นี่นี่เรียกว่ากองแล้วกองรูปนี่กองที่หนึ่งแล้วก็กองที่สองกองเวทนาความเจ็บปวดโลเล่าความสุขความทุกข์กองที่สามกองสัญญาความจําได้หมายรูกองที่สี่กองสังขาร ค, ความคิดความนึกความปรุงความแต่งความคิดความนึกกีจ่ายเสียใจและสังขารร่างกายนี่เรียกว่ากองสังขารเรียกว่ากองทุกแล้วกกองวิญญาณเด็กความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจนี่นี่นี่เป็นกองเป็นกองที่ห้าถ้าหลีบข <mel> ันห้าเรียกว่ากองห้าเรียกว่ากองสังขารนี่เรียกว่าความรอบรู้ในกองสังขารได้ชื่อว่าปัญญาลู่รอบลู่ภายนอก รูปภายในเห็นภายนอกเห็นภายในจนจิตใจไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจริงๆนี่เรี ย, เ ร, ยเรียกปัญญาตาใจพุทธะนะที่นี่ก็ตัวปัญญาตาใจนี่นะมันสั้นๆสำคัญจะแก้จนออกจากกองทุกออกออกจากคงเกิดคงแก่คงเก็บครบตายได้สรุปแล้วที่นี่การการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ ทะลุเรือทราบไปถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนให้ไม่หยุดในการเกิดนท่านั้คําที่พวกพวกเราพากันปรารถนาว่าขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลานนี่แหละให้ถึงซึ่งพระถึงซึ่งพานิพานพ้นจากทุกพ้นจากความเกลแก่ความเกลกยดความแก่ความเกลีความใจคำที่พานิพานก็คือสับออกมาจากนิพพิทานิพพิทาความเบื่อเบื่อไหมเบื่ออะไรที่นี่เอเบื่อกองทุกเนี่ยเบื่อรูป ร่างกายต้นเด้งนี่แหละเบื่อรูปเบื่อเบาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารเบื่อวิญญาณเบื่อกองทุกข์นี่แล้วก็เบื่อจิตใจต้นเด้งนี่ว่ามันหลง น, นี่ถ้ามันเบื่อใน มันมักระขายความกำหนัดดีๆในรูปร่างกายตนแอนและ ป, ปลุกร่างผู้กายคนอื่นสัตว์อื่นและลูกอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าลูกนั่นแหะมันจะเบื่อหน่ายบ้า ร, รูปพวกนี้มันทาให้เกิดมาทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์มันทาให้เป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจขึ้นชื่อว่ามันมีนั่นแหะเบื่อน่ายเมื่อนายรูปเบื่อ น, บบบบบนายเวทนาเบื่อหน่ายสัญญาเบื่อหนายสังขารเบื่อหนายวิญญาณเดี๋ยก็เบื่อนายจิตใจตนเอนงว่ามันหลงนี่ เมื่อป็นเบื่อนายเม่อใครความกำหนัดจินดีเมื่อไม่ใครความกำหนัดจิตดีกินไม่กระพุ่นมันจะไปไปพ่นอย่าในท้องฟ้ากาศทีพ่นมาจากรูปบรรลัยเขาใครของเราเนี่นี่สรุปเรียวเมื่อจิตใจไม่ผ่านพ่นเอาสัาอภิชาติหาที่ความรุ่มหลออกจากกิดจากใจเนี่สรุปเรียกมาปฏิบัติทำตรทนของตนให้เป็นตนของตนมาทำตนของตนให้เป็นใหเป็นหนึ่งท่านั้นและ ไม่ไม่ให้มันมีสองมาปฏิบัติทำใจให้มันเป็นเอกเทศมันก็ไม่มันก็จบเลยวม่นี่สรุปเรื่องของดีที่สุดก็คือจิตใจของใครของเราอันบริสุทธิ์นี่สรุปเรื่องนี้นี่สรุปแล้วในเลืของดีที่สุดก็คือดวงจิตดวงใจของใครของเราพวกเราอย่าอย่ามองข้ามจนเลียงว่าอย่ามองข้ามจนเลี่ยงไปหาของดีอยู่อยู่ภายนอกจริงๆแล่ะของดีที่สุดคือจิตใจอันบริสุทธิ์ของใครของเราเนี่ย เราดิเราอย่าอย่าไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระอะไรเจ้าเข้าสู่พระพา น, นี้พานี้พานไปหมดแล้วหมดมากหมดผลหมดมันไม่หมดมากมากก็คื อ, อทางปฏิบัติเข้าไปรับเข้าปฏิบัติเข้าไปเข้าเข้าเข้าไปรับทุกข์คืออะไรละ่ะก็คือศีนนั่นน่ะนั่นน่ะศีนก็บสมาธิแล้วกับัญญาณมากทั้งแปดนี่เนี่ยอนี่นอนออยอรจธรรมทั้งสี่แล้วหรือหรือสติปัฏฐานสี่ กายเวทนาจิตธรรมนี่ที่ยอดทำรวมเข้ามาอยู่อยู่ทำสองออออสองอสองอสองสอ ง, สองหมวดนี่แหละเนี่ยอืรวมอยู่ที่นี่เนี่ยยะไปสงสัยกัน้นไปจิตวัตรทำที่มันจะโผงหน้าขึ้นมาให้เราดูให้รู้ประโยคแรกก็คือทุกข์พอจะได้พระพุทธเจ้าใชบไหมทุกข์วานกำหนดรู้ ควรรู้ควรดูควรวิจัยวิชารณ์ให้ให้ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงจนกลัวว่า จ, จิตใจมัทธรบอกอืจากเหตุจากปัจจัยที่นี่ตัวสมุทัยเหตุตัวสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดเนี่ยควรละควรโปงควรบางตัวสมุทยัยนีโ่โลดควรทําให้แจ้งนี่โลดนีโล ด, ดกับนีโ่โลดสับเดียวกันแนะหละถ้าไม่เห็นทุกข์มากเมื่อไม่เห็นทุกข์มาก มันก็จะเห็นทุกข์มากทั้งตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นทุกข์ไม่ใช่ในน้อยเลยหลักล้านออืนั่นหลักล้านล้านล้านเป็นล้านล้านเห็นเห็นทุกข์กับเป็นล้านล้านเห็นเหตุทุกข์เกิดกับเป็นล้านล้านแล้วเห็นนิรุตคือความับทุกข์กับเป็นล้านลเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านมันจะพ้นมันเต็มเมื่อจิตใจของท่านเต็มแล้วหลือพวกเราก็เมือนกันถ้ามาม า, ม า, มาปฏิบัติจิตใจให้มันเต็มเราจะอยากเป็นอะไรอีกทีนี้จะอยากได้อะไรอีกจะอยากมีอะไรอีก ของดีที่สุดก็คือจิตดงจิตดวใ จ, จอันบริสุทธิ์ของใครของเราเพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ปณิยานยาบิสุท้อยสงสัยการปฏิบัติให้ทากันตั้งใจปฏิบัติถ้า มันไม่พ้นในในซาตรปฏิบัติกว่าใครไม่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปในอคคหนาให้ให้ม่ใให้ไม่เสื่อมันน่นในพระพุทธศาสนาไม่ไปถือศาสนาอื่นลัทธิอื่นมาเป็นศาสนามาเป็นศาสนามาเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นล่ะพระพุทธเจ้ามาตัดในโลกไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าของเราองค์เดียวนี่ละที่ผ่านมาเปน็นอดีตแล้วอยู่ในพระสูตรสัมพุทเธน สามล้านห้าแสนแปดมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าิบสองพระพุทธเจ้าแล้วมาตัดทับมันเดียวกันนี่ละมาสอนจิตสอนใจมาสอนจิตสอนใจสอนให้รู้จากตัวนี้ละอย่างเดียวกันนี่ พุทธะก็คือตัวคือคือตัวโพลุทำมากก MM ็คือทำคํา <Aub> สอนของพระพุทธเจ้าสังฆะก็คือผู้ปฏิบัติเมื่อพวกเราปฏิบัติไปเมื่อจิตใจเห็นเห็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแหละจิตใจเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาแล้วนั่นแหละจิตใจจะเป็นพระผ้านี่ไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองกับหัวล้นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าเป็นพระสมมติพระจริงๆล่ะคือดวงจิตดวงใจเป็นพระ พวกเราผมยาวๆเรื่องแต่งตัวไม่จะกัดสีเป็นฆราวสาสญาณโยมกันรู้รดได้ <c oughs> เห็นได้เหมือนกันเป็นผ้าได้เหมือนกันเห็นอย่างพระโสดาบันนางวิสาขาแกไปสร้างโลกนลูในลูกในลูกได้หลายเยอะแยะอย่างนั้นนี่ประวัติเสื้อมั่นในพระพุทธศาสนาเลยถ้าจิตใจปเป็นพระโสดาอย่างซาก่อนย้อนกลับมาเกิดเด็กเจดศาส ถ้าสาตละร้อยปีกับเจ็ดร้อยปีก็ ม, ม, มีมีหวังที่จะพ่นจากลุบก็จะพ่นจกคงเกิดคงแก่คงเก็บว่าไปได้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นพวกเ ร, ราทั้งหลายเลย อ, อย่าไปสงสัยในการประพิติปฏิบัติมากคือห้ธทางปฏิบัติคือศีลสม ї, าทิปัญญา ทีนี้ก็สินอันใดสินนี่สินอันใดสมาธิอันนั่นสมาธิอันใดปัญญาอันปัญญาอันนั่นปัญญาอันใดวิมุตตอันนั่นวิมุตต์ก็คือคือความดุดพจน์นั่นแหละมันอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจถล่มเรื่องทีนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายแหละถ้าอยากคนทุกข์ให้บางสุขในโลกว่าอยากพ้นโศกเศร้าโศกาให้บางสุขในรักสุขทุกนี้ของมีประจําโลก มนุษย์เศกพ่อสุขทุกทั้งสองเมื่อละสุขละทุกได้เหมือนใจปองไม่สมองขุนมัวสั่วนิรันต์อรัตเอวังก็มีด้วยปากาละจานีไป